ช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลแห่งความสุขแล้วก็เทศกาลนี้ก็กำลังจะมาถึงจุดสูงสุดนะในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าในเทศกาลนี้นะผู้คนก็นิยมที่จะอวยพรให้แก่กันและกันนะเรียกว่าส่งความสุขนะ นะเขียนสกศนะสกศก็ยมาจากส่งความสุขมีคนหนึ่งเขาเขียนสกศอวยพรเพื่อนไม่เหมือนใครนะเขาบอกว่าขอให้เธอเห็นความสุขนะเขาไม่ได้อวยพรว่าขอให้เธอมีความสุขนะแต่ว่าอวยพรหรือว่าที่จริงให้แง่คิดมากกว่าว่าขอให้เธอเห็นความสุข หมายความว่าอย่างไรนะก็หมายความว่าที่จริงเธอมีความสุขอยู่แล้วนะสิ่งที่ควรทำเพิ่มม็คือให้เห็นความสุขนั้นคนส่วนใหญ่คิดว่าตัวเองยังไม่มีความสุขหรือไปคิดว่าความสุขเป็นสิ่งที่ต้องไปหาจากข้างนอกแต่ที่จริงแล้วเนี่ยแม้จะไม่มีใครมอบความสุขมาให้ความสุขก็มีอยู่กับ ตัวเราอยู่แล้วนะอยู่ที่ว่าเราจะเห็นหรือเปล่าส่วนใหญ่ที่มีความทุกข์มีความกลุ่ม อ, อกกลุ่มใจก็เพราะว่ามองไม่เห็นความสุขที่มีอยู่แล้วกับตัวเองเช่นการที่เรายังมีตามองเห็นยังมีหูที่ได้ยินเสียง ยังมีปากที่พูดได้ยังมีมือเท้าที่สามารถจะเดินเหินหรือทํากิจการงานต่างๆได้พาตัวไปไหนมาไหนได้อย่างอิสระเนี่ยก็ถือว่าน่าจะถือว่าเป็นความสุขอย่างหนึ่งเพราะถ้าเราลองนึกถึงตอนที่เราตาบอดหูหนวกเป็นใบหรือว่า เป็นอมพลึกอมราด เ, เดินเทินไปไหนมา ไ, ไหนไม่ได้เนี่ยเราจะรู้สึกทุกข์ทรมานและถึงตอนนั้นแหละที่เราจะตระหนอักได้ว่าการที่เรามี อ, อยวยวะเป็นปกติร่างกายไม่เจ็บป่วยนั่นเป็นความสุขอย่างยิ่งการที่เรากินอิ่มนอนอุ่นไม่รู้จักความหิวโหย เราเคยตรหนักหรือเปล่าว่านั่นก็คือความสุขอย่างหนึ่งนะที่เกิดขึ้นกับเราอยู่ทุกเมื่อเช้าวันการที่เรายังมีคนรักอยู่ใกล้ตัวยังมีพ่อมีแม่หรือยังมีลูกหลานนะที่อยู่รายรอบเรานะอันนี้ก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งเหมือนกัน เป็นความสุขที่ไม่ต้องไปหาจากไห น, เ, นเมื่อไรก็ตามที่เราสูญเสียคนที่เรารักสูญเสียพ่อสูญเสียแม่สูญเสี ย, ส, ส, ย, ส, ส, ยสามีภรรยาหรือสูญเสียลูกหลานเนี่ยถึงตอนนั้นแหละที่เราจะตระหนักว่าหรือได้คิดว่าตอนที่ คนเรลานั้นอยู่กับเรานี่มันเป็นโชคอันประเสริฐหลายคนไม่ได้คิดตอนที่เขาจากไปแล้วหลายคนไม่ได้คิดตอนที่สุขภาพย่ำแย่ตาบอดหูหนวกหรือว่าเป็นอมัอมพาตนอนติดเตียงแต่ทำไมเราต้องมามาสำนึกหรือว่าเราลึกได้เมื่อมันสายไปแล้วนะทำไมเรา ต้องมา ล, ลึกได้เมื่อสูญเสียสิ่งนั้นไปแล้วทำไมเราไม่ตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้ในขณะที่สิ่งทั้งปวงนี้ยังอยู่กับเราลองมองให้ดีเถอนะมันมีอีกหลายอย่างนะที่จัดได้ว่าให้ความสุขกับเราขอเพียงแต่เรามองเห็นเท่านั้นแหละ เอาความสุขมาไม่ได้อยู่นอกตัวเราเลยนะมันอยู่กับเราตลอดเวลารวมทั้งความสุขที่มีอยู่แล้วในจิตใจของเราด้วยนะงั้นถ้าเรามองนะมองให้เห็นนะก็จะเป็นสุขได้ไม่ยากถ้าเรามองเป็นนะก็จะเห็นสุขได้นะอยู่รอบตัวเราตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องรอให้ใครนะมา มาอวยพรให้เราเลยก็ได้ปัญหาของคนทุกวันนี้คือว่าเขามองไม่เห็นความสุขที่เขามีอยู่แล้วมองไม่เห็นสิ่งดีๆที่มีอยู่แล้วกับตัวหรืออยู่รอบตัวเขามองเห็นแต่สิ่งที่เขาไม่มีเมื่อใ่ก็ตามที่เรามองเห็นแต่สิ่งที่เราไม่มีเนี่ยเราก็จะทุกข์เด็กซึ่งมีของเล่นเป็นร้อยชิ้นทาไมก็ทุกข์นะ พ่อเขาเห็นแต่ว่าเขายังไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนไม่มี iPhone เหมือนเพื่อนคนอื่นๆหรือเหมือนเพื่อนบางคนเขามองไม่เห็นสิ่งที่เขามีเขามองเห็นแต่สิ่งที่เขาไม่มีนะและนี่แหละเป็นที่มาของความทุกข์ของผู้คนก็เลยพยายามที่หลนที่จะแสวงหาอะไรต่ออะไรมามากมาย แต่พอได้มาแล้วดีใจสักพักแทนที่จะชื่นชมสิ่งที่ตัวเองมีก็กลับมองไปเห็นสิ่งที่ยังไม่มีอีกจริงๆแล้วเพราะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วนี่ความสุขมันเกิดขึ้นได้ไม่ยากนะเพียงแค่เรามองเห็นสิ่งที่เรามีเห็นสิ่งดีๆที่เรามีอยู่เราก็จะเป็นสุขได้ไม่ยากในช่วง ปีใหม่ที่จะมาถึงนะหลายคนก็ปรารถนาที่จะได้มีสิ่งนั้นสิ่งนี้นะให้เกิดขึ้นกับตัวเองให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมากมายแต่ว่าเราแน่ใจได้อย่างไรว่าถ้าได้สิ่งเหล่านั้นมาเราจะมีความสุขเพราะหลายคนแม้จะได้สิ่งดีๆนะหรือว่ามีสิ่งดีๆเกิดขึ้น เขาก็ยังไม่มีความสุขอะไร ท, ที่ทำให้เขาไม่มีความสุขนะก็เพราะการที่เขาไม่พอใจในสิ่งที่เขาได้มาคนเราเนี่ยถ้าหากว่าไม่มีความพอใจในสิ่งที่ได้มาเนี่ยได้เท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่มีความสุขนะเขาจะรู้สึกอยู่หรือเขาก็จะคิดว่าตัวเองเนี่ยนะได้น้อยไป ได้โบนัสมาหนึ่งแสนหรือหนึ่งล้านก็ไม่ทําให้มีความสุขได้ตราบใดที่รู้สึกว่ายังได้น้อยไปหรือว่า อ, อย่างที่ว่าน่าจะได้มากกว่า น, นี้ทำไมถึงคิดแบบนั้นก็บ่เห็นเพื่อนเขาได้เขาได้สองแสนก็ได้สองแสนห้าสามแสนหรือว่าสองล้านสามล้าน ให้จริงๆแล้วเนี่ยสุขหรือทุกข์เนี่ยมันไม่อยู่ที่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเรานะแต่มันอยู่ที่ว่าเรามองอย่างไรต่างหากนะได้มาเท่าไรแต่ถ้าใจไม่พอไม่รู้สึกพอก็ไม่มีความสุขหรือว่าได้มาเท่าไรแต่แทนที่จะเห็นว่าตัวเองได้กลับมองว่าตัวเองเสีย ก็ยิ่งทุกข์ก็ไปใหญ่ผู้คนจำนวนมากเป็นอย่างนั้นนะมีคนหนึงเข้ามาไล่์ฟังก็เป็นอาส า, าสมัครนะรับโทรศัพท์สายด่วนหลายคนที่โทรมาก็มีความทุกข์ใจมากจนอยากจะข่าตัวตายบางคนก็ป่วยป่วยหนักบางคนก็เป็นนี่สินลมละลายบางคนก็อกหัก จะมีอีกคนนึงนะเขารับโทรศัพท์ฟังดูก็รู้ว่าเป็นนักธุรกิจใหญ่แต่เขาไม่เปิดเผยชื่อทำไมถึรงรู้ว่าเาเป็นนักธุรกิจใหญ่นะพ่อบอกก็พ่อเขามีความทุกข์ทุกเรื่องอะไรน ะ, ะทุกเรื่องธุรกิจคุยไปคุยมาเขาธุรกิจเขาไม่ได้ล้มละลายนะไม่ได้ขาดทุนด้วยมีกําไรมีกําไรถึงปีละห้0 0ัล้าน แต่เขากุ้มใจมากเลยกุ้มใจพ่อแหละเพราะว่าปีก่อนเนี่ยมีกําไรหมื่นล้านนะเขาไม่ได้คือเขาได้กําไรห้าลา้านหพันล้านนะเขาคิดว่าเขาเสียหพันล้านพอคิดแบบนี้เขาก็กุ้มใจจริงๆไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงเงินก้อนอใหญ่ๆขนาดนั้นก็ได้นะ เวลาเราไปฟังคำบรรยายนะแล้วก็มีการแจกหนังสือนะตอนที่เราได้คนละเล่มคนละเล่มเราก็ดีใจนะแต่พอเรารู้ว่าบางคนได้สองเล่มนะที่เคยดีใจนี่เป็นไงเสียใจเลยนะทำไมถึงเสียใจเพราะเขาไม่ได้คิดว่าเขาได้หนึ่งเล่มเขคิดว่าเขายัางไม่ได้อีกหนึ่งเล่ม ถ้าเขาคิดว่าเขาได้หนึ่งเล่มนะเขาก็จะดีใจเพราะว่าบางคนไม่ได้แต่เขากลับมองว่าเขายังไม่ได้หนึ่งเล่มเพราะเห็นหลายคนได้สองเล่มอตอมาเคยนะเคยไปบรรยายในที่หนึ่งนะบรรยายเสร็จก็เอาหนังสือที่มีอยู่ซึ่งก็ไม่พอไม่พอที่จะแจกให้ครบทุกคนทีแล้วก็มาปึ้งนึงเป็นปึ้งเล่มเล็ ก, ล ก, ลกขนาดเท่าฝ่ามือ หลายคนก็มามารับด้วยความดีใจพอหมดพึ้งนั้นแล้วเนี่ยก็เอาอีกปึ้งหนึ่งมาครั้นี้หนังสือเล่มใหญ่นะขนาดเท่าพอ็พอกเก็ตบุ๊กนะก็แจกจนหมดนะปรากฏว่าคนบางคนที่ได้เล่มเล็กชุดแรกเนี่ยหลายคนก็เสียใจนะมีบางคนบอกมาหาแล้วก็มาขอเปลี่ยนได้ัหมขอเล่มใหญ่ ทำไมเขามาขอเปลี่ยนเล่มใหญ่เพราะเขาไม่พอใจที่เขาได้เล่มเล็กแทนที่เคยดีแทนี้เขาจะนกเออฉันโชคดีนะฉันได้คนอื่นเขาไม่ได้นะแต่เขาก็รู้สึกว่าพอเห็นคนอื่นเขาได้เล่มใหญ่แล้วเนี่ยไอ้ที่เคยดีใจกลายเป็นความทุกข์ใจไปแล้วทุกข์ใจถึงขนาดที่ว่ามาขอเปลี่ยนเนะี่ยมาเล่มใหญ่ทั้งที่ก็ยังไม่ได้อ่านเลยนะแล้วก็ไม่รู้ว่า เล่มใหญ่ไม่ดีกว่าเล่มเล็กยังไงรู้แต่ว่ามันใหญ่กว่าอะไรทําให้เขามาขอเปลี่ยนความไม่พอใจความทุกข์อะไรทําให้เขาสึกทุกข์ก็เพราะมีการเปรียบเทียบแล้วเขารู้สึกว่าเขาได้น้อยไปไอ้น้อยไปนี่อาจจะไม่ใช่น้อยในเชิงปริมาณนะแต่น้อยในเชิงคุณภาพหรือเปล่าก็ไม่ใช่เนี่ยถ้าเราได้อะไรมาก็ตามเนี่ยแต่ถ้าใจเรา ไม่รู้จักพอหรือว่าเราแทนที่จะมองว่าเราได้นะกับมองว่าเสียก็มีความทุกข์นี่จริงๆเนี่ยถ้าเราต้องการมีความสุขนะเพียงแค่นะเรารู้จักมองเห็นความสุขที่มีอยู่กับตัว <c oughs> นี่ข้อแรกแล้วก็รู้จักพอใจในสิ่งที่เราได้หรือว่ารู้จักมอง บวกมากกว่ามองลบนะความสุขนะในปี2558นะก็จะเกิดขึ้นกับเราได้ไม่ยากเลยและถ้าเรารู้จักวางใจเป็นแม้ว่ามันจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับเรานะเราก็ยังสามารถรักษาใจให้ปกติได้เมื่อมีเหตุร้ายเกิดขึ้นนะสิ่งหนึ่งที่เรา นะควรจะทำก็คือการยอมรับความจริงมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยป่วยการที่จะบ่นตีโพยตีพายโอดโอยหรือคร่าครวญว่าทำไมต้องเป็นชั้นทำไมต้องเกิดขึ้นทำไมไม่เกิดคนอื่นยิ่งเราโอดโอยแบบนี้ยิ่งเราปฏิเสธผักสายมาันเราก็ยิ่งเป็นทุกข์เป็นการซ้ำเติมตัวเอง เช่นถ้าเกิดว่าเราป่วยเพราะว่าตัวเองป่วยแทนที่เราจะยอมรับว่าเออฉันป่วยละกลับปฏิเสธไม่ยอมรับโอดโอยทำไมต้องเป็นฉันทำไมต้องเป็นฉันเนี่ยเราก็จะไม่ใช่ป่วยกายเท่านั้นเราป่วยใจด้วยคนฉลาดเนี่ยเมื่อเกิดอะไรเหตุร้ายขึ้นมาเนี่ยนะก็ต้องไปซ้ำเติมตัวเอง แต่ผู้คนจำนวนมากซ้ำเติมตัวเองเวลาป่วยก็เลยไม่ได้ป่วยแต่กายใจก็ป่วยด้วยเวลาเงินหายก็ไม่ได้หายแต่เงินนะใจก็หายสุขภาพก็เสียเพราะว่ากลุ่มใจจนไม่เป็นอันกินอันนอนกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะเงินถูกโกงสมบัติถูกขโมยนะ ใช่แล้วก็พอกุ้มใจมากๆไม่มีสมาธิทํางานงานก็เสียแล้วพอหงุดหงิดคุมอารมณ์ไม่อยู่ก็ระบายอารมณ์ใส่คนรักใส่เพื่อนใส่ลูกหลานใส่พ่อแม่สันตภาพสมรตภาพก็เลยเสียไปด้วยนะีอันนี้เรียกว่าซ้ําเติมตัวเองนะคนอื่นเนี่ยเขาขโมยได้อย่างมากก็แค่ขโมยเงิน แต่เขาไม่สามารถจะขโมยความสุขไปจากเราได้เขาไม่สามารถจะทำให้เราเสียงานเสียการหรือเสียสุขภาพได้แต่เพราะใจที่ตั้งไว้ไม่ถูกนั่นแหละเนยะที่ทำให้เกิดความเสียหายต่างๆตามมาเนะี่ยอีกหลายด้าน <c oughs> แต่ถ้าหากว่าเราเนะรู้จักวางใจเนี่ยแทนที่จะบ่นตีโพยตีพายเราก็ยอมรับเกิดขึ้นแล้ว ใจที่ไม่ผักสายนี่นะมันก็จะสามารถกลับมาเป็นปกติได้ลองสังเกตดูนะความทุกขนะ์เนี่ยความทุกข์ใจเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากใจที่ปฏิเสธใจที่ผักสายสิ่งต่างๆไม่ว่าเล็กหรือใหญ่นแะม้แต่สิ่งเล็กน้อยนะถ้าใจมัผักสายแล้วก็เป็นทุกข์หลายคนกินไม่ได้นอนไม่หลับนะเพราะว่าเป็นสิวผิวตกกระนะแต่บางคนทั้งที่เป็นมะเร็ง แต่ว่าเขาสามารถที่จะเป็นปกติได้ในจิตใจความแตกต่างอยู่ตรงไหนความแตกต่างที่ว่าอันหนึ่งเนี่ยยอมรับไม่ได้แต่อีกอันหนึ่งเขายอมรับได้แม้มะเร็งมันจะเป็นโรคร้ายแต่ถ้ายอมรับได้ใจก็เป็นปกติมันก็ป่วยแต่กายนะใจก็ไม่ได้ทุกร้อนอะไร เมื่อรู้จักเมื่อการเมื่อเราสามารถยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นได้เนี่ยใจมันก็จะกลับมาเป็นปกติแต่อีถ้าเราสามารถที่จะมองเห็นประโยชน์จากสิ่งที่เกิดขึ้นได้หรือว่ารู้จักมองในแง่บวกมันก็ทําให้เราได้ประโยชน์จากสิ่งที่เกิดขึ้นแม้จะเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องร้ายทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราแม้จะเป็นเรื่องร้ายเนี่ยนะ มันมีประโยชน์กับเราทั้งนั้นนะถ้ารู้จักมองหรือรู้จักใช้มีเด็กคนหนึ่งวัยรุ่นนะแกเป็นริวคเมียตอนที่เป็นใหม่ๆก็ทุกนะแต่ตอนหลังแกก็กลับมาเป็นปกติได้แล้วแกก็บอกว่าเนี่ยไอ้โลกมะเร็งนี่มันนำสิ่งดีๆมาให้กับชีวิตแกหลายอย่างนะ เช่นมทำให้แกได้มีโอกาสรู้จักพระพุทธศาสนาเพราะ่พ่ อ, พอป่วยแล้วก็มีคนนาหนังสือธรรมะมาให้อ่านความกลัวตายก็คงมีส่วนทําให้หันมาสนใจธรรมะแล้วก็ได้รู้จักพุทธศาสนามากขึ้นข้อสองได้เห็นความรักอันบริสุทธิ์ของพ่อแมแต่ตอนที่เป็นปกติธรรมดาก็า จ, จะห่างเหินห่างกับพ่อแม่นอนหอพัก ไม่ได้ใกล้ชิดกันแต่พอ พ, พอตัวเองป่วยแล้วพ่อแม่ก็เข้ามาดูแลใกล้ชิดเห็นความรักอันบริสุทธิ์ของพ่อแม่ข้อสามทำให้เขาได้อ่านหนังสือมากขึ้นข้อที่สี่ทำให้เขาได้รู้จักคิดมากขึ้นเริ่มต้นจากการที่รู้จักหยุดคิดพอหยุดพอมาหยุดคิดแล้วเนี่ยหยุดคิดได้ที่ไม่ได้แปลว่า ความคิดมันหยุดนะแต่มากว่าได้ตั้งหลักมาคิดก็ทำให้ได้มีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเขาบอกถ้าเขามไม่เป็นมะเร็งเนี่ยก็คงเหมือนกับเด็กอายุย1ทั่วไปนอนหอพักตื่นตีสามเอม้่เข้านอนตีสาตื่นบ่ายสามนะรอเพื่อนมาเรียกมาชวนไปกินเหล้าใช้ชีวิตแบบนะประมาท ไม่สนใจคนรอบข้างนะไม่ระมัดระวังอะไรเลยอันนี้ก็เรียกว่าเขารู้จักหาเห็นประโยชนนะ์จากเหตุรายที่เกิดขึ้นแล้วก็รู้จักใช้ประโยชน์จากมันเอาน่าถ้าเราวางใจแบบนี้เนี่ยนะแม้ว่าจะมีเหตุไม่ดีเกิดขึ้นนะกับทรัพย์สมบัติของเรานะกับร่างกายของเรากับงานการของเรานะ เราก็ยังได้กําไรนอกจากจะไม่ทุกข์แล้วนะเพราะรู้จักวางใจใเป็นปกติได้ไม่ผักสายไม่ปฏิเสธยอมรับมันเรายังได้กําไรด้วยคือได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าเนี่ยผู้ใดที่รู้จักถือเอาประโยชน์จากอิทธารมและอนิธารมาพระผู้มีรพรภาคเจ้าสรรเสริญพุทธามาเป็นบัณฑิตนะ อิทธารมมะคือเหตุการ์หรือรูปรูปสกลิ่นเสียงที่น่าพอใจอันนิธาอารมมะคือเหตุการ์ที่ไม่ดีหรือรูปรสกลื่อนเสียงที่ไม่น่าพอใจสรวนทั้งสัมผัสและธรรมารมด้วยปกติหลายคนกนะ็อยากจะให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวเองในปีใหม่ที่จะมาถึงแล้วก็รู้จักรู้สึกหวั่นไหวเธอเกิดมีการทํานายทายทักว่าปีหน้าจะมีเหตุไม่ดีเกิดขึ้นกับตัวเองไม่วันในเรื่องการเรียนธุรกิจ เรื่องสุขภาพหรือที่เกี่ยวคนรักนะแต่ว่าถ้าเป็นชาวพุทธแล้วเนี่ยนะจะไม่หวั่นไหวไม่ใช่ไม่หวั่นไหวคำทายทักนะแต่ว่ายังรวมถึงไม่หวั่นไหวเมื่อเหตุการณ์ที่ทำนายเนี่ยสมมติว่าเกิดขึ้นจริงนะเพราะรู้ดีว่าสุขหรือทุกเนี่ยมนไม่ได้อยู่ที่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเรา แต่อยู่ที่ว่าเราวางใจอย่างไรนะใจเรามีสติใจเรามีปัญญานะเรารู้จักมองแบบมีโยนิโสมณสิกาหรือไมนะ่เพราะฉะนั้นแม้มีเหตุร้ายเกิดขึ้นแต่ว่าก็สามารถได้ประโยชน์จากมันได้าชาวาพูดรอนะไม่กลัวนะปีชงปีเชิงเนี่ยอาจจะมีจริงก็ได้นะของวันนี้แต่ว่าไอ้ที่ ไม่จริงก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนเจอะเหมือนกันแต่ถึงเป็นไปได้ก็ไม่หวั่นไหวเพราะว่ารู้จักรับมือกับมันหาประโยชน์จากมันเพราะว่าใจเนี่ยถ้าหากว่ามีธรรมะเป็นเครื่องรักษาแล้วเนี่ยอะไรเกิดขึ้นนะแม้จะเป็นเรื่องร้ายนะก็สามารถจะทำให้กลายเป็นดีได้หลวงพ่อมเขียนท่านพูดว่าเนี่ยนักภาวนาคือผู้ที่รู้จักเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดี เราจะเปลี่ยนเหตุการ์ไม่ได้นะเหตุการณ์บางอย่างก็อาจจะเปลี่ยนได้เช่นเจ็บป่วยเราก็สามารถเทียบันเทาออกกะลังกายจนกทั้งร่างกายกลับมาดีขึ้นมาใหม่แต่เหตุรลายบางอย่างมันก็ยังเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้แต่เราสามารถเทียบเปลี่ยนผลจากผลร้ายให้กลายเป็นดีได้หรือว่าสามารถทาให้เกิดสิ่งดีๆขึ้นมา บางทีไม่ต้องทำให้มันเกิดเราเพียงแค่เห็นมันเกิดขึ้นมาก็พอแล้วเพราะว่าสิ่งไร้ลายนี่มันก็มีข้อดีของมันเพียงแต่เรามองไม่เห็นแค่นั้นแหละแต่ถ้าเรารจักมองนะเราก็จะไม่ทุกข์ไปกับเหตุการณ์เหล่านั้นหรือถ้าเราสามารถที่จะทำให้มันมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นหรือรู้จักใช้ประโยชน์เช่นเจ็บป่วยก็ถือเป็นโอกาส หยุดงานถือเป็นโอกาสมาทําสมาธิถือเป็นโอกาสภาวานาเจริญสติถือเป็นโอกาสในการศึกษาธรรมะนะอันนี้ก็เรียกว่าเราได้ประโยชน์จากเหตุการณ์อาชาพุทธเนี่ยนะเราจะรู้จักใช้ประโยชน์จากเหตุต่างๆที่จริงเหตุร้ายเนี่ยนะมันมีประโยชน์หลายอย่างนะมากมายเช่นฝึกใจให้เราให้เข้มแข็ง ทำให้มีขันติความอดทนแล้วนะคนไปเดินธรรมยถาตราเนี่ยที่เพิ่งผ่านไปเนี่ยนะอย่างหนึ่งที่จะได้แน่นอนคือความอดทนเพราะว่าความยากลำบากมันมันฝึกใจให้เข้มแข็งมากขึ้นแต่ว่าหลายคนได้มากกว่า น, นั้นนะเพราะว่าถือโอกาสนะใช้ความลำบากเนี่ยเป็นเครื่องบีบคั้นให้ใจเนี่ยรู้จักเจริญสติสมาธิ เพราะว่ากายมันทุกข์แล้วเนี่ยจะถ้าปล่อยให้ใจทุกข์ด้วยนี้ก็แย่เข้าไปใหญ่แต่ทำไมถึงให้ใจไม่ทุกข์ก็ใช้สติใช้สมาธินั่นแหละในระหว่างที่เดินฝ่าเปลวแดดในระหว่างที่เดินเหยียบบนหินคลุกที่คมหินลูกลังที่ทิ่มเท้านะ <c oughs> ก็ถือเป็นโอกาสเจริญสติไปกายป่วยใจไม่ป่วยกายปวดใจไม่ปวดเหตุรายมันยังสามารถเตือน ให้เรารู้จักไม่ประมาทเงินหายนะก็สอนเราว่าเนี่ยเป็นเพราะเราประมาทนะเราเลินเล่อนะถือว่าไอ้ที่เสียไป4ี่ห้าร้อยสองสามพันนะถือเป็นการซื้อบทเรียนว่าอย่าประมาทอย่าเล่นเล่อและคนที่เขาได้บทเรียนตรงนี้นะมันอาจจะมีคุณค่า ที่ทำให้เขาสามารถจะรักษาเงินหลายล้านเอาไว้ได้เพราะว่าเขาไม่ประมาทแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เงินที่มากกว่านี้เขาก็ยังสามารถที่จะรักษ า, าไว้ก็ถือว่าได้กำไรนะซื้อซื้อบทเรียนว่าอย่าประมาทอย่าเล่นเล่อเตือนใจอยู่เสมอก็ทำให้ไม่สูญเสียเงินหรือทรัพย์สินที่มากไปกว่า น, นั้น ซึ่งอาจจะรวมถึงรถยนต์ด้วยเหตุรมันก็ยังสามารถที่จะสอนธรรมะกับเราสอนธรรมะในเรื่องความไม่เที่ยงความไม่จีรังหรือว่าสอนเรื่องว่าไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้ทุกอย่างเป็นอนิจจังไม่มีอะไรที่จะให้ความสุขได้อย่างถาวรมันเจือไปด้วยทุกข์แล้วก็ไม่มีอะไรที่จะยึดมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราได้เนี่ย คือเข้าใจเรื่องอันที่จังทุกขังอนัตตาหลายคนก็ได้เห็นนะว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยนะจากความเจ็บป่วยจากเหตุการณ์น้าท่วมที่ทําให้สูญเสียทรัพย์สินไปเป็นจํานวนมากเสียทรัพย์แต่ว่าได้ธรรมะอันนี้ถือว่าคุ้มนะเพราะว่าธรรมะที่ได้นี่มันสามารถจะช่วยทําให้สามารถจะช่วยทําให้ใจไม่ทุกข์กับการสูญเสียที่ใหญ่หลวงกว่านั้นได้ ถ้าเรามีมีธรรมะที่ช่วยในการรักษาจิตใจหรือวางใจเนี่ยเราก็จะไม่หวั่นไหวนะต่อเหตุร้ายนะที่อาจจะเกิดขึ้นตามคำทานายทายทักหรือว่าตาม เ, าเลิกผานาทีกลับรู้จักนะกลับพร้อมที่จะยอมรับหรือว่า ต้อนรับนะเพื่อใช้มันให้เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีปัญญาเนี่ยเขาจะไม่วิงวอรนนะว่าขอให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับฉันเป็นโชคเป็นลาบนะเป็นชื่อเสียงเกียรติยศเป็นเงินทองแต่ถ้าจะขอก็ขอให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับจิตใจหรือปรารถนาที่ให้จิตใจเนี่ยนะมีคุณภาพที่ดีขึ้น เพราะว่าถ้าใจมีคุณภาพอะไรเกิดขึ้นก็สามารถจะทำให้เป็นของดีหรือเกิดประโยชน์ได้มีชาดกเรื่องนี่ น, น่าสนใจนะชาดกนี้ก็เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันสมัยที่สวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์มีชาติหนึ่งพระองค์เป็นฤาษีบาเพนตบะชื่อกันหา บำเพ็ญตบะนะทำความเพียรจนกระทั่งเท้าศักกะหรือพระอินเนี่ยเกิดความเลื่อมใสแล้วก็มาเสด็จมาเพื่อประทานพรสี่ประการนะถ้ามีพระอินมาประทานพรสี่ประการเราจะขออะไรส่วนใหญ่คงจะขอโชคลาภนะ ขอให้ร่ำรวยนะเมืองกันที่หลายคนไปขอหลวงพ่อคูณนะไปขอสารพระพรหมขอให้ร่ำรวยนะขอให้มีชื่อเสียงขอให้มียศถาบรรดาศักดิ์ขอให้มีบริษัทบริวารหรือว่ามีคู่รักสมปรารถนาแต่กันหาดาบบทที่ท่านขออะไรหนึ่งขอไม่โกรธสองขอไม่ให้มียายได้มีโทษะ สขออย่าได้มีโลภะและสี่ขออย่าได้มีสิทเสนหาที่จริงไอส้สข้อนี่นะสรุปเป็นสองก็พอแล้วคือไม่โลภไม่โกรธแต่ว่าเนื่องจากพระ อ, อินทร์ขอให้โอกาส4ประการท่านก็เลยขยายมาเป็นจาก2เป็นสี่นะซึ่งความหม า, ายคล้ายกันนะคือไม่โลภไม่มีเสนหาไม่โทสะไม่ไ ม, ไม่ไม่มีโกรธ บอกว่าพระอินทร์ทำงานพระอิน์บอกยอมแพ้เพราะขอมันนี้ให้ไม่ได้นะต้องทำเองแต่พระอินอแต่ว่าถ้ากัญหาฤาษีนี่ท่านฉลาดนะเพราะท่านรู้ว่าจะมีความสุขอย่างแท้จริงเนี่ยนะก็เพราะจิตเนี่ยนะไม่มีโลภะไม่มีโทสะไม่ใช่เพราะว่ามีทรัพย์สินเงินทองมีบริษัทบริวารมากมีสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่จะสุขนะหลายคนที่ ครอบครองดินแดนมีทรัพย์สินเงินทองมากมายแต่ว่าเวลาตายก็ตายด้วยความทุกข์ไม่ใช่เพราะถูกยึดอำนาจไม่ใช่เพราะว่าถูกปลดขับไล่จากบัลลังก์นะแต่พรารู้สึกว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่ตัวต้องการอย่างในอินเดียมีกษัตริย์องค์หนึ่งนะชื่ออารังเซปอารังเซปนี่หลายคนอาจจะไม่รู้จัก แต่ว่าคง น, น่าจะรู้จักพ่อมากกว่านะพ่อนี่คือชาชาหานซึ่งเป็นคนสร้างทัชมาหานนะทัชมาหานนี้ก็สร้างให้กับมุมตัสซึ่งเป็นมเหสีสุดที่รักแล้วก็เป็นแม่ของอาลลังเซปอาลลังเซปนี้ก็ยึดอำนาจจากพ่อนะฆ่าพี่ซึ่งเป็นราชทายาทแล้วก็เถลิงอำนาจเป็นเรียกว่าเป็นทราราธนะแผ่ดินแดนอย่างกว้างขวางอินดินแดนนี่กว้างขวางสมัย ในสมัยของข อ, งอัลลองเซนนี่กว้างขวางมากว่ากันว่าอาัลองเซนนี่ครอบครองดูแลประชากรปกครองประชากรทึในสี่ของของโลกในเวลานั้นจักว่าเป็นคนที่รวยที่สุดรวยกว่าอังกฤษอีกเพราะว่ามีเหมืองเพชรมากมายที่ไปยึดได้ <c oughs> อัลองเซนนี่ก็มีทั้งอายุวรรณัสุขาพราณนะเพราะตายตอนตอนชาราทั้งที่ฆ่าผู้คนไม้มากแต่ตอนตายนี่อารองเซฟก็พูดกับ ลูกนะบอกว่าเนี่ยฉันมาแล้วก็ฉันก็ไปอย่างคนแปลกหน้าฉันไม่รู้ว่าฉันคือใครใคำพูดแบบนี้มันสะท้อนถึงคนที่ไม่มีความสุขนะคนที่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไมร่รู้สึกว่าตัวเองยังไม่ได้ยังพบยังไม่พบสิ่งที่ตัวเองต้องการจริงๆมีทั้งเงินมีทั้งทองแต่ไม่มีความสุขเ่เรื่องราวแบบ น, นี้เนี่ยมัน ม, มีมีมากมายนับไม่ถ้วนคนที่ ได้โชคได้ลาภแล้วแต่ว่าหาความสุขในจิตใจไม่พบเพราะว่าใจเขายังเต็มไปด้วยความโลภเต็มไปด้วยความหลงเต็มไปด้วยความอาฆาตพยาบาทนะแล้วจะพบความสุขได้อย่างไรได้เท่าไหร่ก็ไม่พอมีเท่าไหร่ก็ยังอยากได้อีกดันที่กัรหาฤาษีเนี่ยท่านบอกว่าเนี่ยถ้าจะขอก็ข อ, อนี่แหละเนี่ยก็ถือว่าท่าน ฉลาดนะเพราะถ้ารู้เนี่ยคนเราจะมีความสุขอย่างแท้จริงเพราะใจเนี่ยไม่เมื่อใจไม่มีโลภะไม่มีโทสะไม่มีโมหะไอความไม่โกรธไม่ร่วมนี่มันมีใครทําให้ได้นะพระอินทร์ก็ให้ไม่ได้นะแล้วจะจะได้มาอย่างไรก็ต้องทําเองต้องฝึกฝนเองดังนั้นการภาวนาหรือการทําความเพียรเพื่อฝึกฝนจิตใจเป็นเรื่องสําคัญถ้าอยากได้ชีวิตที่มีความสุขก็ต้องทําเอา ความสุขไม่มีใครให้ได้นะนะต้องรู้จักมองแล้วก็รู้จักทําเอาจะทํำชนะได้ต้องมีความเพียรวิริยะซึ่งอันนี้ก็มันก็ไปสอดคล้องนะหรือไปสอดรับนะกับชาติโอีกเรื่องหนึ่งนะเป็นเรื่องของดาวบทที่ชื่าอวอกิตติท่านนี้ก็มีคุณสมบัติหลายอย่างคล้ายกับกันหาดาวบทก็คือบําเพ็ญตบะจนกระ ท, กทั่งเท้าสักการนี่มา มาประทานพรประทานพร4ี่ห้าประการท่านอากิติก็พิจารณาสักพักก็บอกเนี่ยขอ5อย่างนี้แล้วกันนะหนขอจะได้พบคนผานนะสอขอจะไดะ้สนทนาจะได้ฟังคนผาน3ามจะได้โอภาปราศัยคนผาน สี่จได้ยินดีในการโอภาปาศัยคนพาลห้าจะได้อสมาคมร่วมกันถ้าไม่ได้ขออย่างอื่นเลยนะเพราะท่านรู้ว่าไอ้คนพาลเนี่ยมันทําให้ชีวิตนิยําแย่มงคลสูตรข้อแรกเนี่ยข้อแรกเนี่ยมงคลสาสิแปดเนี่ยข้อแรกคือว่าอาเสวนาจะพาลนานังการไม่ควบคนพาล น, นะเป็นข้อแรกของการที่จะมีมงคน์นอันสูงสุดเลยนะท่านก็เลยขอแบบนี้นะ เพราะว่าถ้าไม่ไม่ต้องเจอไม่เกี่ยวข้องคนพานี่ชีวิตท่านก็จะมีความสุขได้ไม่ยากแต่แล้วท่านเปลี่ยนใจนะท่านบอกขอขคอเดียวอะไรล่ะนะพระอิน์ถามขอว่าท่านจะได้มาหาข้าพเจ้ากันเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าท่านมาเนี่ยจะไม่ข้าพเจ้าเนี่ยเกิดความหวังพึ่งพาท่านอยากจะได้คำอำนวยพรจากท่านก็ทำให้ข้าพเจ้าประมาท ไม่ทำความเพียนขอดีนะขอว่าท่านอย่ามาเลยคือไม่เอาเลยนะอำนาจโดนบรรดานเนี่ยหรือว่าทางลัฐเนี่ยเพราะว่าจะทำให้ไม่รู้จักพึ่งตัวเองท่านเชื่อว่าอำนาจโดนบรรดาหรืออิทธเลศนี่ไม่ประเสริฐเท่ากับความเพียนพยายามของตัวเองอันนี้ก็สอดคล้องกับคติของชาวชาวญี่ปุ่นเลยนะ คนไทยเนี่ยเวลา on, อวยพรก็ขออวยพรว่าอะไรขอใโชคดีคนญี่ปุ่นอวยพรว่าอะไรกัมบัตเตะนะขอให้มีความเพียรพยายามขอให้ไม่ย่อท้อคนไทยเราพึ่งโชคนะถึงแม้ว่าอ่อ้างตัวเป็นชาวพุทธแต่คนญี่ปุ่นนี่ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เรียกตัวเองเป็นชาวพุทธแต่ว่าเขาเชื่อในเรื่องของความเพียรมากกว่าก็ ค, คล้ายๆกับอักิติดาบทนะนะขอพึ่งความเพียรตัวเองดีกว่าเนี่ย ดีกว่าจะพึ่ง อ, อิทธิฤทธิ์หรือว่าอำนาจโดนบรรดาลของพระอินทรนะ์เรื่องโชดเนี่ยก็เป็นเรื่องของอำนาจโดนบรรดาลอย่างหนึ่งดังนะนั้นถ้าเกิดว่าเรานะปีใหม่นี้เราอยากจะได้พรใ น, นประเสริฐนะก็พึงตระหนักว่ามันไม่มีพรในประเสริฐเท่ากับธรรมะที่เราจะต้องสร้างขึ้นมาเองนะพอรแปลว่าสิ่งที่ประเสริฐนะ สิ่งที่ประเสริญนี่ไม่ใช่อายุวนาสุขาภาละมันก็ประเสริญนะแต่ไม่ใช่ประเสริญที่สุดสิ่งที่ประเสริญที่สุดก็คือธรรมะที่จะช่วยสร้างปรับปรุงคุณภาพจิตนะให้มีสติให้มีปัญญามีความไม่โลภมีความไม่หลงนะไม่โกรธนะแล้ก็รู้จักนะมองเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดี อันนี้แหละที่คิดว่าในเทศกาลปีใหม่นะถ้าเราปรารถนาที่ได้รับพรนะก็ขอให้เราลึกถึงพรนันนี้ว่ามันประเสริฐที่สุดนะเป็นพรที่เกิดขึ้นได้จากนำพักน้ำแรงของเราที่เกิดจากความเพียงของเราอีกไม่กี่ชั่วโมงนะก็จะปีเก่าก็จะสิ้นสุดนะถึงตอนนั้นปีสองห้าเจก็จะกลายเป็นอดีตไป รวมทั้งเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในปีนี้ก็จะกลายเป็นอดีตนะสิ่งที่เป็นอดีตนี่ผูเจ้าได้ตรัสไว้ว่าควรมีท่าทีอย่างไรนะท่านตรัสว่านี่บุคคลไม่ควรล้ำลึกถึงสิ่งที่ล่วงแล้วล่วงบุคคลไม่ควรอะไรในสิ่งที่ล่วงไปแล้วนะหรือบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึง กาลละยอย่างนะที่เกิดขึ้นในพศนี้มันหลายอย่างก็เป็นอดีตไปแล้วแล้วก็หลายอย่างก็กำลังจะกลายเป็นอดีตนะในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าก็สิ่งที่เราควรทำคือปล่อยให้มันกลายเป็นอดีตไปนะเป็นอดีตไปพร้อมๆกับปี2องห้าแต่หลายคนเนี่ยนะปล่อยให้มันเปลี่ยนไปแค่ตัวเลข ขึ้นปี 2,558 แต่ว่าใจอาจจะยังอยู่กับปี 2,557 หรืออาจจะถอยหลังไปอยู่กับปี 2,553 เพราะว่าไปหลงติดติดตรึงอยู่กับเหตุการณ์ในอดี ต, ตถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยนะมันก็สิ่งที่เปลี่ยนไปก็แค่การเปลี่ยนตัวเลขของศักราชนะแต่ว่า ใจเราก็ยังติดอยู่กับอดีตปีใหม่ที่จะมาถึงนะก็ควรที่จะให้ใจของเราเนี่ยนมองไปข้างหน้าเพื่อที่จะเตรียมพร้อมในการที่จะรับมือกับสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นแต่เราจะมองไปข้างหน้าไปไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าใจเรายังไปติดข้อง อยู่กับเหตุการณ์ในอดีต เ, เมื่อสมัยที่หลวงพ่อโตท่านยังมีชีวิตยอยู่เนี่ยท่านเคยได้รับนิมนต์ให้ไปขึ้นธรรมาตรคู่กับท่านเจ้าคุณองค์หนึ่งที่ท่านเจ้าคุณอุดมนะวัดพระเชตุพลวัดพระเชตุพนนี่อยู่คนณละฟากฝั่งแม่น้ำกับวัดละคขังเยท่านเจ้าคุณองค์นี้ก็เป็นนักเทศนะ์ท่านก็เทศเป็นกรนนะว่า เทพเป็นชำนองทานองอุปมาประม่นะทายพายเถนาผอพายอย่ามัวตื่นสายตลาดจะวายสายบัวจะเน่าแล้วก็จบแค่นี้นะทิ้งให้หลวงพ่อโตท่านกล่าวแก้หรือกล่าวตอบแล้วก็ต้องตอบเป็นกรอนนี่นะล้วท่านจะตอบว่ายังไงท่านก็ตอบเป็นกรอนว่าเนี่ยก็โซยังไม่แก้ประแจยังไม่ไขเหลือจะไปได้อย่างไรละ่ะพ่อ เจ้าคุณนจะพายเหลือจะพายแค่ไหนถ้าโซ่ยังไม่แก้ประแจไม่ขันเนี่ยมันกม็มีทางไปได้ชีวิตของคนเราเนี่ยของคนหลายคนเนี่ยไม่สามารถจะไปต่อได้เพราะว่าจิตเนี่ยมันยังหวนประวัติติดตึงอยู่กับอดีตอดีตมันกลายเป็นการล่ามโซ่ตัวเองเอาไว้ <c oughs> ปีเก่าะไรผ่านไปแล้วก็อย่าปล่อยให ส5 7เป็นอดีตเท่านั้นนะ <c oughs> แต่ก็ควรจะปล่อยให้เหตุการณ์ต่างมันกลายเป็นอดีตไปด้วยเพื่อที่เราจะเดินไปข้างหน้าได้แต่ก็ไม่ได้ไหมายความว่าเราจะไม่หันกลับไปทบทวนนะเหตุการณ์ปี57หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านนะั <c> ้น <oughs> เราไม่มาคลำครวนด้วยอะไรก็จริงแต่ว่า เราควรจะทบทวนหรือไคร่ครวนเพราะว่าถ้าเราไครครวรให้ดีก็จะได้บทเรียนนะสำหรับการดำเนินชีวิตมันย่อมมีความผิดพลาดเกิดขึ้นแต่ถ้าเราได้บทเรียนก็ช่วยทาให้เราสามารถที่จะเดินไปข้างหน้าได้โดยที่ไม่ผิดพลาดซ้ำสองมันมีความผิดพลาดอยู่สองชนิดนะผิดพลาดแบบถูกต้องกับผิดพลาดแบบผิดพลาด ผิดพลาดแบบถูกต้องคือว่ารู้จักหาบทเรียนแล้วกับแก้ไขให้ถูกต้องผิดพลาดอีกประเภทหนึ่งคือผิดแล้วก็ผิดอีกนะผิดซ้ำสองซ้ํำซากนั่นแหละถ้นเร า, าครู้จักคข้ครวญทบทวนนะเราก็จะได้ประโยชน์จากสิ่งที่เกิดขึ้นแม้ว่ามันจะเป็นเหตุร้ายที่ทําความเจ็บปวดแม้กับจิตใจงเราก็ตามนะแล้วเวลาเราทบทวนเราคข้ครวรแล้วเนี่ยนะ นะควรจะขอบคุณทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะขอบคุณทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราตลอดปีสองห้าสองเจ็ดเพราะว่าเหตุการณ์เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นเพื่อมาสอนเราเพื่อมาช่วยให้เราเป็นคนใหม่ทำให้เราเข้มแข็งขึ้นทำให้เราฉลาดมากขึ้นถ้าเรารู้จักมองนะแม้ว่ามันจะเจ็บปวดยังไงนะ แต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปปรับข้องติดตรึงกับมันค่ะเดียวกันก็ไม่ใช่ว่าเราจะลืมมันไปอย่างไร้ประโยชน์เหตุร้ายนี่อาตมาเปรียบเหมือนกับทุเรียนนะทุเรียนนี่หํามันแหลมถ้าเรากอดทุเรียนไปเราก็ไม่ฉลาดเพราะว่ามันมีแต่เจ็บน้ํามมันก็ทิ่มให้เจ็บการที่เราจะไป ลรลึกนึกถึงแต่เหตุร้ายที่ผ่านไปแล้วแต่ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางกอดมันเอาไว้นะก็ไม่ใช่วิธีของชาวพุทธหรือคนฉลาดแต่ขณะเดียวการการที่ทิ้งมันไปเลยก็ไม่น่าจะใช่เหมือนกันเพราะว่าทุเรียนเนี่ยถ้าเรารู้จักปลอกปอกเอาน้นาแหลมออกไปเราก็จะได้เนื้อที่อร่อยที่หวาน กอดทุเรียนเอาไว้อย่างแน่นก็ไม่ใช่ทิ้งมันไปก็ยังไม่ถูกก่อนจะทิ้งมันไปก็ฉอบเปลือกเอาซะก่อนเอาเนื้อที่หอมหวานมากินทิ้งแต่เปลือกไปอย่าให้เราทำางนั้นนะกับเหตุร้ายหรือเหตุการณ์ที่เจ็บปวดในดเดีตมันมีคุณค่าเสมอนะ ถ้าเรารู้จักใช้ถ้าจะปล่อยมันผ่านเลยไปเปล่าๆนะก็ถือว่าไม่คุ้มค่าแต่ถ้ารู้จักใช้ประโยชน์ออกมันก็ได้กําไรนะอีกไม่กี่นะชั่วโมงก็จะขึ้นสักรารใหม่นะก็มีอย่างหนึ่งที่เราพึงระ ล, ลึกนึกถึงก็คือว่าปีใหม่แต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ย แม้ว่ามันจะชวนให้เราชื่นชมยินดีเพราะว่าคนส่วนใหญ่ชอบของใหม่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พึงตระหนาคือว่าปีใหม่แต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยมันหมายความว่าเรากลาลังใกล้ความตายเข้าไปทุกปีทุกปีเมื่อปีใหม่มาถึงมันหมายความว่าเวลาที่เราอยู่ในโลกนี้เหลือน้อยลงไปอีกหนึ่งปี พานั้นเนี่ยแทนที่จะยามัวแต่สนุกสนานหรือว่ายินดีกับมันควรตั้งอยู่ในความไม่ประมาทด้วยผู้คนเนี่ยก็มักจะชื่นชมยินดีกับปีใหม่ที่ผ่านมาที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้เฉลียวใจว่าเราใกล้ความตายเข้าไปอีกหนึ่งปีแล้วก็เวลาที่เราอยู่ในโลกนี้ก็จะเหลือน้อยลงไปอีกหนึ่งปีถามว่าเวลาที่เหลือน้อยลงไปนี่เราได้ทำอะไรให้มีประโยชน์คุ้มค่าหรือยัง พวกเราที่มาที่นี่เนี่ยก็คงจะตอบสามารถจะตอบคำถามนี้ได้เพราะไม่งั้นเราก็คงจะไม่มาที่นี่เราคงจะไปเที่ยวสนุกสนานนะหลายคนเนี่ยก็มัวแต่เข้าดาววันส่งท้ายปีเก่านะตอนนี้เขาดาวกันแล้วแต่เขาลืมเข้าดาวชีวิตนะอันนี้สำคัญกว่านะการเข้าดาวชีวิตเนี่ยการนับถอยหลังชีวิตของเรา ถ้ามัวแต่เข้าดาววันสิ้นปีแต่ว่าลืมเข้าดาวชีวิตของเราเนี่ยมันก็จะเกิดมันก็จะประมาทนะแต่ถ้าเราเข้าดาวชีวิตของเราด้วยว่าตอนนี้เวลาเราเหลือน้อยลงแล้วบางคนอจะเหลือไม่ถึงพันวันบางคนจะเหลือไม่ถึงห้าร้อยวั น, น, ลวนแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าบางทีชีวิตเราเนี่ยอาจจะเหลือแค่ไม่ถึงเจดแปดวันด้วยซ้า เมื่อวานนี้นะครูคนหนึ่งก็ไปฉลองส่งท้ายปีเกา่าตอนรับปีใหม่แต่บอกว่าปีเก่ายังไม่ทันจะสิ้นสุดเลยตัวเองก็สิ้นลมเช่แล้วเพราะว่าขับรถชนต้นไม้ตายตอนชานี้เพิ่งมีพิธีแต่งงานตอนเย็นต้องจัดพิธีศพแล้วเนี่ย ที่วัดนี้ตอนนี้ก็กำลังเพิ่งสวดศพเสร็จนะส่งท้ายปีเก่านะแต่ปีเก่ายังไม่ทันสิ้นเลยตัวเองก็สิ้นใจไปซะก่อนนะอันนี้ก็เป็นเครื่องเตือนใจให้ดีนะว่าความตายมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแม้แต่ในเทศกาลแห่งความสุขนะแล้วังมีจะต้องมีคนตายกันอีกมากมายในคืนนี้ คนที่เขาคิดว่าก็จะมาสแสวงหาความสุขแต่ว่าจบลงด้วความตายเพราะความตายเกิดขึ้นในทุกเวลาเพราะฉะนั้นในเวลาในในเทศกาลแบบนี้เนี่ยนให้ระลึกถึงตอนหนักอยู่เสมอนะว่าเวลาเราเหนื่อเหลือน้อยลงใช้เวลาที่มีให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าใช้เวลาที่มีอยู่เพื่อการภาวนา ให้จิตเราเนี่ยพร้อมที่จะรับกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นรวมทั้งพร้อมที่จะรับมือกับความผลน์พลน์นไปในชีวิตซึ่งรวมถึงความตายด้ว ย, ยก็ขอฝากเอาไว้นะเป็นข้อคิดสําหรับพวกเราในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คงไม่ต้องให้พร อ, อีกแล้วนะเพราะว่าให้พรไปเยอะแล้ว ก็ยุติเท่านี้นะ